下次来再叫我，我上杭州来。 โดยกรหลวงพ่อหลวงที่อยู่นี้พระเจ้ากะงประชาใจพรเราที่จะปลอบรรพระเจ้าจะได้รับพระที่จะรูปใช้ธรรมมบาท่านยัพระเจ้าของเราจะปกครองทั้งหมาที่าได้านที่เกิามาท่านเราจะบคสุนะครับทาน่จะเปนวามาและขอพระเยกรหลวงพ่อทุกคนขอุณพ่อจกอมผิานะครับอง่นู้ทา้่ทาทานผเ้่าานผ่้ใน้หาน้านทนท่านน วน้าจะเข้ามาในกองแล้วาก็ต้องชนอะไรยเงี้ Wow. เดิมเหมือเนเดิมในเวลาวันนี้และเวลาวันนี้และต่อไป พระเจ้าสรงช่วยคนที่รับเราให้เกอผลอันดีทุกสิ่งคือการทำดที่พระองค์ได้สรงเรียกราม ความรักของพระเยซูอัศจรรย์จริงนะครับนี่คือเป็นความรัของพระเจ้าพี่น้องความรักของพระองค์นั้นไม่อัศจรรย์แบบไม่มีเนื้อขายใดๆที้เส้นนะครับแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอะไรก็ตามความรักของพระเจ้าไม่มีเนื้อขาไม่มีข้อแม้พระงรักเราเสมออย่างที่เป็นที่เราร้องให้กินแบบอะไรอย่านั้นพรงรักเราเสมอไม่มีความเปลี่นแปลงไม่มีวามสุจริตนี่คือความรักที่มีต่อ ผู้เชื่อเลยครับที่พระเจ้าควาักของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้สิ่งที่อยากจะแบ่งปันว่าพระเจ้าทรงรักเราเสมอและความรักของพระองค์นั้นไม่เคยจืดจางลงเลยนะก็คือสิ่งแรก น, นก็นคือพระเจ้ารักเราทรงช่วยเราให้เกิดผลจรินทุกสิ่งทุกคนนะครับในคำสอนพระชนิกามของพ ร, ระเจ้าที่เราอ่านและถึกยิ่ด้วยกันในโรมบทที่8ข้อที่ 28บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่ร okay. wow. well, so ักเราให้เ so. ก uh ิดผลดีทุกเสิ่งเกีรยวกั้คำว่ที่พระองค์ได้ส่งเรียกตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราทรงช่วยคนของพระเจ้าช่วยทุกสิ่งที่จะเกิดผลคําว่าทุกสิ่งที่จะเกิดผลหมายความว่าสถานการณ์นั้นไม่ว่าจะเป็น ดีหรือไม่ดีสถานการณ์เลวร้ายหรือไม่เลวร้ายสถานการณ์มีความสุขหรือมีความทุกข์พระเจ้าจะช่วยให้เกิดผลดีในชีวิตของทุกเช่นนี้คือความรักของพระเจ้านะครับบางครั้งในชีวิตของเราการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจากชีวิตของเราจะเจอเจอกับความหาวความหนาปะคงกับความทุกข์ความยากลำบากต่างๆมากมายแต่ไม่ว่าสิ่นั้นจะเกิดอะไร ตามกับผู้เชื่อพี่นะ้องความรักของพระเยซูจะทําให้เกิดผล น, นีสิ่งที่ดูว่าไม่ดีสิ่งที่ว่ามือดว่าไม่เข้าใจทำไมเป็นแบบนั้นพระเจ้าจะทําให้เกิดผลนี้ในชีวิตของผู้เชื่อนี่คื อ, รร อ, อความรักของพระเจ้านะครับแล้วความรักของพระเจ้ามากมายมีต่อพระเจ้าเนี่ยไม่จืดจางลงความรักของพระเจ้านะั้นมั่นคงนิรันดรากับพระเจ้า ทรงรักผู้เชื่อพระองค์ทรงตั้งผู้เชื่อให้เป็นตามระสาแห่งระบุตของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราเราอ่อ่เราเห็นเตพความรักของพระเจ้าที่ช่วยเราจริงนะครับในข้อย9สิเก้าและ3ามินะครับข้อยีและสาิบอกว่าเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใจที่รงทรงสร้างแล้วผู้นั้นรงทรงตั้งไว้ให้ เป็นตามลักษณะภาษาแห่งพระบุตของพระเพื่อพระองค์นั้นจะได้เป็นหัวปีท่านกราผี่น้องเป็นอาแม่นะครับแล้วก็และบรรดาผู้ที่พรงและด้ทรงตั้งไว้นั้นพระองค์ทรงให้เรียกทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้นพระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ทรงโปรดให้หยีสัตย์ นี่คือสิทธิของผู้เชื่อที่รรักเรารูตั้งเราตามพระราษสะใสาของพระุตรของพระาผมพี่น้องนะครับรเรานึกถ้าเราจินตนากันแล้วเร า, าถ้าเราชีวิตของเราตามพระสาพระของพระเจ้ากับพระเยซูที่อย่จากโลกงานเป็นชีวิตที่เสี่ย า, าเป็นที่สใช่มพระเยซู ง, งามเนือ พระเยซู ง, งานเลิกจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เห็นควหน้าตารบุคลาภูุ่นนะครับแต่ว่าทํางานด้วยจิตใจดั ง, งนั้ น, น, นพระเจ้าสรา้างเราตั้งเราพระเจ้าประสงค์ให้เราจะเป็นอะไรครับเป็นตามวัชยภาพเราตามตามความดี ง, งานจิตใจพี่น้องเราเชื่อแล้วก็แน่ใจแล้วก็มั่นใจได้ว่าเมื่อเรามาหาพระเยซูคราวนัาของพระเจ้าจะเปลี่ยนไปชีวิต เราไปงดงามเยม่มากก็น้อยนะครับเพื่อเรายอมต่อพระเจ้าในชีวิตของสักเคียยอมต่อพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าจากคนที่แล้วเคยคองมาชั่นโกงภาษีต่างๆแต่เมื่อมารู้จักกับพระเจ้าตัวรับพระเยซูแล้วเราเห็นว่าชีวิตก็เปลี่ยนเป็นชีวิตที่งดงานจิตใจภายในงดงามเปลี่ยนแล้วก็จากหน้ามืดเป็นหลังไปเลยจากการที่เคย ช่อบอว่าถ้าข้ามโบกงเองเขาจะคืนได้สี่เท่านะครับนี่คือการเปี่ยนแปลงพี่น้องสิ่งที่ระองค์ทรตั้งเราเป็นพระสาร พ, พระเจ้าอยให้จิตใจของผู้เชื่อในลูกงานนี่คือความอาของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างไรสิจิตใจของเราจะลูกงานเหมือนพระเยซูและเราก็มีความสัมพนันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ทุกทุกวันใช่ไหมนะครับสังเกต น, นะพี่น้องครับ ถ้าเราชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเรามีความสำพันที่มี่าชี้กับพระเจ้าทุกวันดีกวันเราทําอะไรเรารู้สึกว่าดีแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราออกทานจากทางของพระเจ้าเมื่อไหรก็ตามที่เราเพิ่งมีอ่านพระคัพนิพนธ์อ่านอธิษฐานเพื่อเขาได้สามักคีร่วมกับพี่น้องมันก็จะมีหลายหลายอย่างที่มาชูให้เราขำวลชูให้เราไม่สงบนการิบใจเราให้สงบนะครับแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราข้าไปชิ้พระเจ้าจิตใจเรา พระเจ้ารับเราในพระคัมของพระเจ้าดีถ้าสองข้อเนี่ยเราเห็น ค, ความรักของพระเจ้าพระเจ้ารับพระเจ้าตั้งเราให้เป็นเนื้อพระฉายของพระเจ้าแล้วพระโปรดให้เราเป็นผู้ชอบทำนะเมื่อเราคาในใดคนหนึ่งนะครับพี่น้องเมื่อเ ร, เราเชื่อในพระเยซูที่แล้วพระองค์ให้เราเป็นผู้ชอบทำแล้วก็พระองค์รงให้เราเป็นมีศักดิ์ศรีนะครับนี่คือสิ่งที่ความรักของพระเจ้านะครับที่มีต่อเรานะั้น สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆนะคะรับพระองค์ตั้งเราคนบาปอย่างเราให้ตามพระชาติของพระเจ้าคนบาปอย่างเราให้เป็นจิตใจที่พลุกพลานขึ้นนะครับสิ่งที่สําคัญพี่น้องเราต้องยอมร่วมมือกับพระองค์เพื่อให้จิตใจของเราจําือกับพระองค์พระเยซูผู้ยั่งยืนมีอำนาจความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานะั้นสําคัญและก็ยิ่งใหญ่มากๆพระองค์ ทรงโปรดให้เราคนบาปอย่าเราปเป็นคนที่ทำใช่ไหมเป็นคนที่มีศีลและโปร่ความรักของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มั่งมั่นพระองค์ทรงโปรดให้เรามีสว่วนร่วมในงานพระเสริงของพระเจ้าที่คือความรักของพระเจ้าที่มีให้กับเราครับพี่น้องกำลัอองกราบพระเจ้านะแล้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับความรักของพระเจ้าในประการที่สามบอกว่า ไม่มีอะไรสามารถขัดฝ่าเราได้เพราะความรักของพระเจ้านั้นเราอยู่ไปเราในข้อ31และ32นะครับจากพ้วยฉะนั้นครับของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ไปเราใครจะขัดฝังเราพระคผู้ไม่ได้ทรงหัวพระบุตรองค์เดียวของพระคแต่ได้ทรงโปรกครองพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรา ท่านเชนนั้นพระองค์จะไม่ทรงโรงประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยการกับพนะระบุญน้าเถิสิ่งสารพัดท่านหลายทพระเจ้าให้กับเราความรักของพระเจ้านะั้นพระองอยู่กับเราต้องค์ช่วยเราแม้ว่าบางครั้งจะดี จะมีเหตการณ์ต่างๆที่กักขังเราที่จะมีความสำคัญไม่ดีต่อพระเจ้าหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆทําให้เราหา่างจากพระเจ้าแต่ความรักของพระเจ้านะั้นรวมไม่มีอะไรที่จะขัดขวางเราได้นะครับนะ น, รน้องพระทูปปารุงนะครับได้เขียนข้อชนะธรรมของพระเจ้าทั้งสองข้อนี้นะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่า ที่จ e, well, so, ัดที่โรงพยาบาต้องมีความเชื่อมั่นในประจําไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรารู้ว่าพระเจ้านั้นจะประทานสิริราชไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความรักของพระเจ้าไม่จืดจางลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีปัสสาวะในชีวิตในกิ่จังหรือว่าอะไรก็ตามวิถีอำนาจของพระเจ้าความรักของพระงจ้ารุกรุกรักเราอย่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักของพระเจ้าไม่เคยจืดจางลงในชีวิตของพระเจ้าที่มีต่อเรานี่คือความรักของพระเจ้าแล้วพระเจ้าช่วยอะไรกั พระเจ้าแจะประทานสิสารพัดต่างๆซึ่งเราไม่อาจที่จะคาดคิดได้พระเจ้าประประทานิสารพั์ซึ่งเราไม่เกิคยคิดไม่เคยฝันที่เราจะเกิดกับเราได้นี่คือควน่ของพระเจ้าขอเยอะรูปอย่างนะครับที่เราทำให้เราจะเปิดพระการของพระเจ้าด้วยกันข้อหนึ่งนะครับให้เราเปิดในปฐมพระการบทที่18นะครับ ถ้าเราจะอ่านที่ประชุะมด้วยกันประธมรการบทที่สิบแปดปรมการบทที่สิบแปดนะครับเราจะอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราอีกด้วยกันเราอ่านอ่าข้อที่หนะครับข้อที่ห เรงกั่ถึงข้อที่สิบสองนะครับอ่าข้อที่หกคือสิบสองพี่น้องอ่านด้วยกันที่ประชุมนะครับอร拉ฮัมที่เห้าไปในนี้อาว่าเรื่องน้อย เป็นผู้ปราโทษอีพระเยซูนั้นหรือผู้ทรงสิ้นพระชนม์แล้วยิ่งกว่านั้นอีได้สรงสุกชุบและเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถนะั่งเพื่อฝังพระหัตของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วยความรักของพระเจ้านะั้นนะครับที่มีต่อผู้เชื่อไม่มีอะไรที่จะมาปราโค่อเราได้พี่น้องครับ ข้อพระปีข้อนี้อ่าข้อสามสิบสาเรืนน่อเราเห็นใช้คำว่าใครจะฟ้องคนเรานะมันมีคาว่าฟ้องก็เป็นภาษากฎหมายใช่ไหมครับเป็นภาษากฎหมายฟ้องคำนี้หมายถึงว่ามีใครบางคนบางคนที่ืุอฟ้องกล่าวหานะครับหรือว่ากล่าวโต้ในพิสานะครับนั่นก็คือมาสราจะใช้ ได้คนแบบนั้นกับาผู้เชื่อพริเตียนหลายหลายท่านนะครับพิเตอรหลายท่านเนี่ยดำเนินชีวิตองบางทีอาจจะผิดพลาดบ้างตัดใจที่ใดอยู่ในเรื่องไหนดังนั้นผิดพลาดเนี่ยมาซาตางอยู่ฟอสต์บอกเลยเราอ่านนะครับววิวร์คนที่12ข้อที่10นะครับพี่น้องเปิดเข้าไปคือเรื่องกับวิวรคนที่ สิทธนะครับข้อเอ๊ะบทที่สิข้ อ, อ, อ, ท, 12, ขอที่10อ่าวิวรณ์บทที่สิข้อที่10ได้กล่าวด้านี้นะครัและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์วันนี้ความรอดและนิพพานพระเจ้าในใจพระเจ้าเราและพระพิทักษ์ นีนะครับถ้าเราจะเปิดอีกตอนนึงนะครับอิสยาบทที่50อิสยาหบทที่50นะครับให้เราจะอ่านด้วยกันอิสยาหบทที่50ข้อที่6ถึง9นะครับอิสยาหบทที่50ข้อที่6ถึง9ก้าเราจะอ่านด้วยกันที่ประชุมเลยเช่นเดียวกันนะครับ อิสยาบทที่50ข้อ6ถึงเก้าด้วยกันนะครับท you ี่น้องครบแล้วเราจะอ่านด้วยกันพร้อมครับพระเจ้าแค่แก่บุตรปีกพร a เจ้าและแค่แก่บุตรปีกพระเจ้าพระเจ้าที่พระเจ้าสุ่พระเจ้าพระเจ้าที่เราฉะ และพระเจ้าสร้างพระเจ้าจับให้รูปทรงแข็งแข็งพระเจ้าใครจะช่วทเหลือพระรจชาก็ให้เราอยก่ใครเป็นธรของพระเจ้าก็ได้เาอยพระเจ้ารูดพระเจ้าจะสวยพระเจ้าใครจะ ใครอ่ามันจะเกิดอะไรกับเร้แต่นะครับพระองค์จะเป็นผู้ที่หัการแก้แทนเราพระเจ้าจะสู้กันดีฝ่าเราพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะช่วยอ่าใครจากล่าวโทกเรามาซาดาพี่น้องครับสังเกตนะครับเพื่อเรามีความใกล้ชิดกับพระเจ้าเพื่อเรามารู้จักพระเจ้าเนี่ยมาราดาพญานาคการทีจะให้เรา มีความศรัทธาไม่ดีกับพระเจ้าว่ามาสัตย์การใช้ที่ดีที่การต่างๆที่มีความศรัทธาไม่ดีต่อช่วยกันและการในชีวิตครอบครัวนะครับแต่เมื่อเรายึดมั่นในพระเจ้าเมื่อเราศรัทธาในพระเจ้าเมื่อเราเชื่อชิดกับพระเจ้าไม่มีอะไรที่จะขัดฝาเราที่จะทําให้เราห่างจากพระเจ้าไม่มีอะไรที่จะขัดฝาเราที่จะให้เราแยกจากพระเจ้าได้ความรักของพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าอยู่แบเราครับ ในข้อพระปีที่เราอ่านเมื่อกี้ทั้งโรงแล้วก็ที่เราอย่างพระเจ้าสรงด้วยเราพระเจ้าในกลับมาที่โรงนะบอกว่าพระเจ้าทรงเลือกเราไว้เรื่องบุกรงประทำให้โทษโยนโยนยกโทษให้เราให้เราเป็นผู้ชอบธรรมเราะยังแม้ว่ามาสัตว์ทางจะฟ้อผู้เชื่ออย่างไรก็ตามจะจมติงจะอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรที่จะขัดขวางพระเจ้าอย่างทางครับ และพระเจ้าไม่อยากให้เราตกในกลุ่มนักของมารสาตานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับความสํำคัญพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญความสำคัญการชิดกับพระเจ้าแต่ระหว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเมื่อเราห่างจากพระเจ้าเมื่อไหร่ก็จะถ้าเรายืนตรงนี้สมวิชย์เป็นพระเจ้าถ้าเราเมื่อไหร่ก็จะที่เราอ่านขอห่างจากพระเจ้าเราไม่อยาไปชิดกับมารสาตนะแต่เมื่อไหร่ก็จะที่เราอา่าน มาสัาเราไดล้ชิดกับพระจ้าที่สำคัญนะครับเราให้ชิดกับพระเจ้าแล้วานของพระจพระจาราแบบเมื่อกี CA, 000, ้ข้อพระปีนี่เราอ่านด้วยการตอนลุดท้ายเนี่ยบอกว่าอะไรครับทรงอธิษฐามเพื่อเราทั้งหลายใช่ครับทรงสถิตนบเื้อความหักขอบพระเจ้าแล้วทรงอธิษฐานกับเราลงที่แปข้อ3ามสิบสี่เยนะทำงานของพระเจ้าไม่มีอะไรเจ็กับควาเราพระเจ้าอธิษฐานเรา มุสอนี่คือความรักของพระเพี่น้องกับอะถ้าเรารู้ว่ามีใครสักคนนะของเราเนี่ยเราจะรู้สึกครับรู้สึกดีใช่ไหมครับงนั้นความรู้สึกดีตัวนั้นขอให้อยู่กับพี่น้องตลอดไปนะคะให้รู้ว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยอาภิษฐานตัวเรารเพราะในพระคัมของพระเจ้าต่างียชัดเจนแล้วก็ว่าว่า ทรงสถิตนะเพื่อความเพื่อเพื่อวาของพระเจ้าแล้วก็ทรงอธิคาทรงอธิคามขอเพื่อเราท้งหมายทุกวันทุกวันนะครับพี่น้องทุกวนทุกวันเนี่ยพระเยซูมาหาเราบางครั้งเราทุกเพื่อหาเราบ้างว่าเรารู้จักหาเราบ้างตามเาเราแต่พระเยซูมาหาที่คื่นว ความนิสายของพระเจ้ า, าเราิ่มร่ากาเรง่มไม่เย่อยมากกว่าริ่มสุภาพเริ่มใจรันะครับจะรักเดด ส, สเมอนคะครับและประการที่ห้านะครับพี่นอ้องเราจะอ่านด้วยกันกลับมาที่โรงท้านคะครับโรงบทที่ แปดก็สามสิาถึงสาเกานะครับข้นที่จะยาวนิดนึงเราจะด้วยการฟัเราจะเห็นถึงความจริงจากพระคัมของพระเจ้าตอนนี้แล้วบอกว่าใครเล่าจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระพิทได้เล่าจะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเชี่ยวเห็นหรือการกระดนานอาหารหรือการเคลื่อนหรือการหมย์ไกหรือการ ตามที่เขียวไว้แน่ระธรรมวิว่าเพราะเห็ุแก่พระอง้าโระองค์ชถูกประหารวันนั้ข้าและนับว่าเป็นแก่สำหรับจะเอาไปฆ่าแต่ว่าในการท้ามุลนี้เรามีชัยน้อนโดยโราผู้ทรรับเราทั้งหลายเพราะพระเจ้าเชี่ยวแกร่งมากแม้กำตายในชีวิตหรือัปดากสวรรค์หรือเทพเจา้า หรือสิ่งที่จะเป็นในหน้าหรือสิ่งปลกมระหลาดหรือสิ่งสูสูงหรือสิ่ชิ้นลึกหรือสิ่งใดใอที่ทงสร้างมาแล้วนะจะไม่สามารถทำให้เราเข้ามาากจากความรักของพระเจ้าซึ่งในสุริยปฐมกุลจากพระนมคทาของพระเจ้าทั้งตั้งแต่ข้อสามง ขอ้อ39เนี่ยย้ำถึง3สองครั้งที่ชัดเจนว่าจะไม่มีอะไรที่ขัดจากความรักของพระเจ้าเราหน้านะครับไม่มีอะไรที่จะขัดขวาเราความรักของพระเจ้าเราได้ซึ่งในพระคาถาตอนนี้เปาโลได้รับดาบนะครับเปาโลได้ได้รับจากความทุกข์ยากต่างๆที่มันจะขัดขวางผู้เชื่อกับพระเจ้า หรือไม่ติดตามพระเจ้าเปาโรได้พูดถึงความลำดับสิ่เหล่านี้ที่จะทาให้เราบางครั้งความรักของเราที่จิตใจเราต่อพระเจ้านะครับนั่นก็คือลำดับและก็คความทุ่พี่น้องความทุ่งเล่าดับแรกว่าความทุ่งความรุ่งนหมายความว่าการถูตบังคับหรือว่าอะไรโกลาหอความทุ่หรือความเรียบราบหรือภาวะโกลาจากภายนอก ว่แยกโลกในในชีวิตในอาชีพการงานหรือว่าในโดยเฉพาะการติดตามพระเจ้าแต่พี่ต้องคำนั่นว่าเยซูความรักของพระเจ้าที่ต่อเราท่านไม่อาจที่จะท้าเราไปสั่งสอนได้เพราะว่าขณะที่พวกเราเกิดความรู้สึกกังวลเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเกิดความรู้สึกที่รู้สึกแย่หรือว่า แรงกดดันตางเล่านั้นพระเยซูหูวใจผู้เชื่อเพื่อให้แน่ใจและมั่นใจว่ า, าสารที่สซืบเกินความเข้าใจในจของเรานะใช่ไหมครับนั่นในิิล ป, ปีนะครับพี่น้องิิล ป, ปีบทที่สี่นะครับ ป, ปีบทที่สผมจะอ่านะปปาะนะครับิิลปปีบทที่สี่ข้อที่หกและเจนะครับบอกว่า อย่าทุรนในสิ่งใดเลยแต่จงเรื่องความประทานาของข่านทุอกอย่างของพระเจ้าด้วยการอฐานการอภิบาล ก, การขอพระคุณแล้วสารีสุขแห่งพระเจ้ า, จาซึ่งเกินความเข้าใจจะคลุมครองจิตใจและความคิดของขัน้นไว้ในพระเยซูฟังทุกเรื่องในคนกลางว่าอะไรต่างๆเมื่อเราเข้ามาในชีวิตของเราพระทานของพระเจ้าประโละมหัวใจผู้เชื่อว่า แม่ให้ขากับพระเ้า30ที่จะครอบครองใจนี่คือความรักที่เป็นให้กับผู้เชื่อและก็คือ30อที่จะคอบครอจใจของผู้เชื่อเมื่อเราพู้ผ่านตงด้วยการดูเว้นแต่ไม่เอาพระเจ้าใป้นผู้กานพระเจ้านะครับลำดับความายากลำบากที่อาจารย์ขัดฟังเรากับพระเจ้าได้แต่ว่า ไม่อาจที่จะขัดขวางความรักของพระเจ้าได้นะครับคือความย่าลาบบาทรับดับที่สองที่เราได้พูดถึงในข้อสามสิบห้นะครับความย่าลาบบาทหมายถึงสภาพความรู้สึกแย่ความรู้สึกที่บหวนความรู้สึกที่ผิดหวังความรู้สึกที่หนาอกใจย่ า, ย jos, ยาลาบบาทตรง น, นั้นแม่อาจที่จะถ้าเราไปจากความรักของพระเจ้าไา้ควางรักของพระเจ้านะครับในสันติบทที่สี ผมข้อหนึนี่ยผมว่าพระเจ้าเป็นที่รีภัยนะครับเป็นกาลังและเป็นความช่วยหลือพร้อมยสมอในยามยาลบากนี่คือในการยาลบากพระเจ้าทรงเป็นึ่งพระเจ้าทรงเป็นกำลังพระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือนี่คือความนะที่มีอกาศพระอาาพี่น้องครับเมื่อท่านเจอกับสถานการณ์ยาลบาก ให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นที่ริษัยให้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นกําลังให้รู้ว่าพระเจ้านั้นพร้อมให้ความช่วยเหลือให้เราเรื่อมจากพระหัของ พ, ง พ, พ ร, บบระเจ้าและพระเจ้ามาช่วยเราหลับจากความยากลำบากที่เปาเล่มผูดถึงคือการเที่ยวเข็มในลำดับที่สามใช่ไหมครับการเที่ยวเข็มตอนนี้หมายถึงว่าโดยเฉพาะการเชี่ยวเห็มเนี่ยเราะตองผู้เชี่ยวเข็าที่ศที่มาลุจพระเจ้า มาเปิดใจต่อรับตัการพระเจ้าเนี่ยจะถกบมนจากพ่อแม่นะครับมีาดุชนอันนีชมคนที่เขาถามคุณเนี่ยคอมมนตขอให้พุะเจ้าถามเกินด้วยเพราะว่าที่เขาอ่ะกรอบทุกวันทุกวันว่าการเชื่อถืพระเจ้าเนี่ยจะเจอกับิการรายเจอกับความทุยลาหลายหลายอย่างอย่างเงี้ยก็ไม่อย่างนั้น เาสมาซาตาอะไรครับมาซาตาจะค่อยๆปลอบถุงต๋องผู้เชื่อมาเป็นพิเเนียยมาญาติาบะเนาะไม่มีใครเข้าใจแล้วไม่ต้องเป็นพิเศียนอบถุงต๋องมาเป็นพิเศษมาญาติาบะเพราะแม่เราไม่ยอมนะในสู่ความเชื่อของเราให้เริ่มเจอมาซาตาพยาในการจากกลอบจะใส่ความคิด แต่พี่น้องรู้ไหมพระเยซูห่ใจนะพระเยซูห่นใจผู้เชื่อในคาเทศนาบนภูเขาบัพิบททีท่5นะครับพี่น้องัพติบทที่ห้าเราอ่านด้วยกันข้อที่สสนะครับมัิศบททีท่5ข้ออ่านที่ปชมด้วยกันครับัมิมบททีท่5ข้อ นะครับที you know, Mom, ่เราพบแล้วเรา่าคุณกันนะครับพรครับเห็นเพราะที่ชอบทำผู้นำเปโูเพราะว่าอนี้สวรรค์ของเราเมือเขาเี็เตียงของเองทิาว่าอะไรทั้งหลายอเพราอเราครับเอ๊จะไปได้ยังไงนี่นะเอาไปยังง เสียนไป ไ, ไ, ได้ไม่ดีค อ, อ า, เามเห น, นื่นนนอนาารเราเมั น, นาการรี้เลยเนี่ยให้เราจะไปสได้อย่างไรตอนนี้พัาสถานการณ์เราเจอแบบสถานการณ์จริงๆนะเราอาจจะไม่เข้าใจจริงๆนะครับแต่พระเย็นสู ร, รับประการว่าคุณจะมีวสินอนาาันนี้คือความร่างองพระยสุร์ร่างจากความยากลาบากที่เราโมได้พูดถึงอาจจะทให้เราอาจะความรับได้แต่ เป็นไปไมได้ที ENNIS, ่พระเจ้าจะไม่ไม่สามารถที่จะเราขาดจากความรักของพระเจ้านะคือการกระดานอาหารเช่นในการระับที่สี่ว่าการกระดานอาหารหมายถึงความแห้งแล้งขดแคลใช่ไหมครับไม่มีอาหารเสรเพียงามของความต้องการสิเหล่านั้นไม่อาจที่จะถ้าเไปจากความรักของพระเจ้าได้พระเจ้ารักเราพระเจ้าเลี้ยงดูเราดูเสริมประสบการณ์ของ จะสารวิทย์ในขณะที่เลี้ยงแกะนะครับเป็นสันดีบทที่23ว่าข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเยี้ยงดูข้าพเจ้าหรือเลี้ยงแกะข้าพเจ้าไม่ขัดสนใช่ไครับนี่เป็นประสบการณ์ของคนเลี้ยงแก่อยู่ในที่นไหนพระเจ้าเลี้พี่น้องเราแน่ใจเราก็มั่นใจนีตั้งแต่ที่เรามาพบเจ้าพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ายูแลเราพระเจ้าริบุเราอย่างไม่ขัดสอน ล่ามจยาลำบที่ความยระลับที่เอ really ่าลมพุ <S <s ああ <er ่งถึงเนตอนนี้ก็คือการเกาอการเปการสภาวะเส้นเลือกระตั้งตัวนะเปัย์กายนี่มันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสุดแต่ยูนิเอร์ทุกหงไม่มีอะไรเลยแล้วจะทาให้เราด้จากความน่าองัวจ่าได้ไหม าปาวลูเองนะครับปาวลเองเจอกับประสบการณ์ตรงนั้นนะครับที่เ้องารปาวลเจอกับประสบการณ์ความยากลำบากตรงนั้นด้วยแต่ตลอดเวลาจากชีวิตของผู้รับใชพระเจ้าปาวลูเ <supplements> นี่ยรู้ว่าพระเจ้าทรงรักางมาแล้วก็ชีวิตทันชีวิตที่ยอมมอบให้กับพระเจ้าคิดชีวิตให้กับประชจ้าก็รู้ว่าพระเยซูนัเป็นสินงเดียวในชีวิตของ้านนะครับ พี่น้องเมื่อเราประสบการณ์ของป้าโลเนี่ยนะครับป้าโลรู้ว่าชีวิตของความยากลำบากเราเจอมาแล้วแล้วก็ประสบมาแล้วแต่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญแต่รู้ว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าดูแลเรอย่ากไม่เกิดกานส้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราต้องการเนี่ย สิ่งที่เราต้องการพระาทีเราผู้เราอ่านก็ถาหัวใจความรู้ในมัทีหุบที่หอางหบที่หกก็ยิ่งแคถึงสามสองนีเรจะอยากู้ร้อในเรื่องใดๆใช่ไหมอยากกระโจนตะวนในือดครับพิดาของท่าทงสถิตในสวรรค์รูปทรงทราบความต้องการของท่านเหล่านะทําต้องการของข้ามคืหลานั้นเราต้องการอะไรบ้าง อบอกการระชาแล้วลงจับความยากลำบากที่ในการที่าการมีชีวิตเนี่ยสิทย่ที่เราดนะูแลอย่งและสินั้นแม้ว่าความยากลำบากนะเรบว่าเราสิ่นั้นไม่อาจที่จะาด่าจากความานักของพระเจ้าได้นะคือการโวยภัยการวยภัยเอันตรายที่อันตรายที่ห ร, อรืออาการกระทำที่ไม่เป็นไม่ชอบธรรมกับเราแต่สิเหล่านั้นไม่อาจที่จะ ข้าจากความนับขอพระเจ้าที่อยู่กับราพระเจ้าพระเจ้าหัวใหพระเจ้าเป็นรายรานะครับพี่น้องแล้วก็หังใช้เาโรได้พูดถึงว่าการการถุกคงจากต่างๆการจเป็นการททรมานต่างๆเหล่านั้นเราจะเห็นครั้งจะเห็นในประวัติศาสตร์มากมายที่บุคคลเหล่านั้นที่ยอมเพื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะให้สิรรเกดขึ้นอย่างมากมายนะครับพี่น้องครับ เพร ะ, ะนั้นแม้จะมีความุติธรรมต่างๆที่เปาโลได้กล่าท้้งเจ็ดอย่างนั้นไม่อาจจำกข้าเราไปจากทวามรักของระจ้าได้เพราะเราเอมีประสบการณ์ที่บอกกันพี่น้องเราเปิดในพิริีบทที่10นะครับพิรีบทที่สข้อหนึ่งนะครับข้อสิบข้อสิบถึงสินะครับหัวข้อทีบอ่บอกว่าสอบรับเรื่องปากของ แต่เราจะอ่านข้อ10ถึง13นะครับที่เราพูดแล้วเราจะอ่านด้วยกันครับข้าพเจ้ามีใจที่จะทำความดีใจเราว่าในสุดท้า็แล้วคุกับเราข้าพเจ้าถ้าที่ข้าพเจ้าถิ่งถิ่งจะย่างหาโอกาสให้ได้ข้าพเจ้าไม่บ่เพื่อความขัดสนเพราะข้าพเจ้าจะมีหน้าอย่างไรก็ตามข้าพเจ้ามีบุญบุญที่จะ รู้จักเป็นเจ้าพระเจ้าฟาแล้รู้จักเปจาะเจ้ากล่าวความศดิ์สทวควาเขาเจ้ารู้จักให้รับเป็นเจ้าพระเจ้กับความอ้อนและความดีงามและความสมบูรณ์คุ้มสุขและความัอสรข้าพเจ้าาเจอรู้สิ่งได้โดยระผู้ทรงเสกับาจากประสบการณ์นะครับที่เปาโลประสบการณ์เนี่ยเราจะว่า พระเจ้าชื่นชมในเดนโอพระเจ้าแรงกลเพราะว่าเราเสริมกำลังพระเจ้าช่วยเราในการขึ้นนี่คือความรักของพระเจ้าที่มีต่อผู้เชื่อคือพระเจ้าทรงเสริมกำลังให้ผู้เชื่อไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดก็ตามนะครับลงด้วยแล้วก็เราจะประกาศของพระเจ้าที่โรงที่เราอ่านที่ที่เราครับไม่มีแตดด保罗มีประสบการณ์เช่นนั้นพ保罗ชื่นชมในเดนโอพระเจ้า แล้วถัดเชิญกับฤทิกได้โดยพระองค์เสร็จกับมาวิคราะความลัทของพระพิ้ารณากรุณาญาติในการย้กษ์ในข้อ37นะครับที่น้นข้อ37บอกว่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชายหรือล้นโดยรูปผู้ทรงรักเราทั้งหลายเหตุการความยั่งยืนลำจากความพิจารณาเหล่านั้นนะครับหรือว่าอื่นอื่นอีกมากกว่านั้นนะครับพระเจ้า เราโลดย่าว่าเราจะมีชัชนะโดยเราไม่อาจจัดการความรักของพระเจ้าพระเจ้าความรัขอพระเจ้าพระเจ้าน่ยทำผิดเรานะครับหรือวสิใจจะดีจะเลพระเจ้าแต่ก็ตางเจ้าหักฐาครับที่เราทแล้วความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่นิดลนดละันครับความักของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าหับเราเชั้น ในพระกัมรของเจริญจำไม่มีอะไรที่ข้าเราไปจักความนันของพระเจ้าได้จะไม่มีอะไรที่จะขัดขวางเราจากพระเจ้าได้แม้ว่ามาซาตาจะนะครับใส่ความคิดกรอบความคิดต่างๆทั้งเรางวันและกลางคืนพระเจ้าสนด้วยพระเจ้าช่วยพระเจ้าปกป้องพระเจ้าแยแยแพระเจ้าบอกมาว่าคนใดคนหนึ่งเพื่อกลับใจแล้วเอาความรักกลับให้ต่างกับพระเจ้านะพระเจ้าบองคนนั้นชอบธรรม เมื่อไปชอบถามแล้วมาซาตาจะกล่าวจุมตีจับฟ้องทั้งการวางประเด็นอย่างไรก็ตามไม่มีผลนะครับเพราะว่าเราเป็นของพระเจา้าข อ, อพระเจ้าทรงโปรให้พี่น้องที่จะมาเลาชื่อีสืบไว่าไม่ว่าเห็ุการณ์ระดับข้าผ่าหรือชีวะอะไรก็ตามให้รู้ว่าคํารักของพระเจ้านั้นมีให้กับเรานั้นมากหรือน้อยไม่มีมาซาตาไม่มีอะไรจะขัดขวามเาได้จะเรา เจ้าวิปปประกาของคุระจาในการตอบข้อเวลาี้ให้กัรร่วมงานะเจ้าหลจากข้อลาขอบพระเจ้าขอบคุณโลกสมบัตความจริงคามชัดเจนมาครท่ากับเราไม่มอะไรที่ขาดขอบคุณพระเจา่แม้ว่าเราไม่น่ารักอะรถ้าเราน่าเกลียดอะรถ้าเราทำให้พระเจ้าผิดหวันพระเจ้าอัายจะรับตอตอบงานเสร็จข้อ Oh, it's not